อริยสัจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแต่ก่อนดูข้ามๆไปนะรู้สึกตื้นๆรู้สึกปฏิจจสมุปบาทอะไรนี่หมลึกซึ้งลึกน่าสนใจกว่าอริยสัจจริงถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจนะก็เกิดอีกสำคัญมากถ้าเห็นอริยสัจ เห็นปฏิจจสมบาทิมีไม่ว่าดวงตาเห็นธรรมในกระบวนการของปฏิจจสมบาทมันทำให้เราเห็นว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นกล่าวๆนั่นแหละสักยัติจิแต่ถ้ารู้แจ้งลงมาในรูปในนามได้นะยกว่ารู้แจ้งอริยสัจถึงับพ้นได้ พรุทธเจ้าแต่และองค์ก็ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่เท่ากันบางองค์ท่านสาวไปแค่วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปแล้วก็โบกกลับนะนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณพระมีปัสสีพระสีขีพระเบสะพูอะไรพนี้ท่านท่านดูแค่นี้ท่านกลับพระพุทธเจ้าเราสาวไปถึงอวิชชา จริงปัจจัยของอวิชามีอันหนึ่งคืออาสวัตท่านไปถึงวิชาท่านตัดนะอริยสัจนะนิ่งศึกษา ย, ยิ่งสนุกลึกเรื่องจริงๆตอนเราเด็กๆเรา ก, ก็นึกว่าเข้าใจอ่านเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นึกว่าเข้าใจอริยสัจแล้วใช่ไหมตอนไปบวชอยู่วัดชนประทานนะไปสวดมนต์แปล บอกว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่คนเกิดคนแก่เป็นทุกข์กลายเป็นว่ารูปนามมันเป็นทุกข์เราก็นึกว่าเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วนะรูปนามเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เวลาภาวนาปฏิบัติไปไม่ได้เห็นอย่างนั้นเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ านากันนานๆเมื่อไหร่เห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์ล้วนวนได้เนะ่จะตับจะวางแล้ ว, วนั้นมันวางได้ด้วยปัญญาจริงๆควาว่าปัญญาก็คือการที่เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเราต้องพัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้มมันเห็นเองไม่กแกล้งทำให้เห็นไม่เห็นหรอก แต่คิดจะทำให้เห็นนะมันเจือด้วยความคิดแล้วตกอย่างาวิปัสนาละโยงที่เราภาวนาไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราขาดอะไรนะรู้สึกอย่างเดียวว่าความรู้ยังไม่พอจะลึกๆจะรู้สึกตลอดว่ายังรู้ไม่พอยังรู้ไม่พอถามว่าไม่รู้อะไรตอบไม่ถูกอ่ะจนภาวนาไปถึงจุดหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ๋อไม่รู้แจ้งอริยสัจ รับใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจนะข้ามพพค้ามชาติไม่ได้งาลิยสัจลึกที่สุดเลยอย่างเราไม่สามารถเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังนึกว่ารู้อริยสัจนะไม่รู้จริงหรอกหรือเราคิดว่ามีสมุทยมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คนทั่วๆไปไม่ได้รู้สึกว่ามีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้มีความอยากแล้วทุกข์ไม่ใช่คนทั่วๆไปรู้สึกแค่ว่าถ้าไม่สมอยากนี่จะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วไม่ทุกข์มีตัณหาแล้วสนองตัณหาได้ไม่ทุกข์มันตื้นนะตื้นมากๆแต่ว่าพอเราลงมือภาวนาดูจิตดูใจตัวเองออกเราเห็นทันทีเลยทันทีที่จิตเกิดตัณหาเกิดความอยากเกิดความยึดถือขึ้นมา จิตมันจะหมุนติ้วๆนะมันทำงานจิต ท, ทำงานเรียกว่าพบพบคำเต็มๆขอมพบคือกรรมาพนั่นึงจิตมันทำงานขึ้นมามันก็มีความทุกข์ขึ้นมามันมีทุกข์พร ม, มันมีภาระไม่ ม, ม, มีมีแต่ตอนลงพวังลงรวังขจิตแต่ก็ยังทำงานนะไปรู้อารมณ์เก่าแต่ไม่ขึ้นมามันทำแบบอัตโนมัติ นั่นเรวิบากเรียกว่าวิบากจิตจิตของเรานี่ทเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยเออมีอารมณ์ตลอดเวลารับใดมีจิตก็มีอารมณ์ไม่เคยว่างนี่ภาวนามากเข้ามากเข้าอะไรย่านี้จะเห็นถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกขนะ์จะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกข์แล้วจะเห็น เรากนึกว่าเข้าใจอริยสัจแล้วนะเพราะว่าท่านบอกสมุทัทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ลึกๆ ก, ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมท่านเริ่มด้วยทุกข์ก่อนท่านน่าจะสอนอริยสัจสี่เริ่มด้วยสมุทัยถ้าสมุทัทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์น่าจะสอนสมุทัยก่อนแล้วถ้ามีตัณหาแล้วจะทุกขนะต์ตัวทุกข์ก็ไม่ใช่พูดเรื่องตัณหานะตัวทุกข์ก็ไปพูดเรื่องขันนั่นอริยสัจไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายๆเลย นี่พอเราภาวนามาถึงจุดที่เราเห็นว่าถ้ามีตัณหามีสมุ ท, ทยัยก็มีทุกข์เราก็นึกว่าเข้าใจที่จริงยังไม่เข้าใจเราจะเข้าใจอริยสัจแต่อเมื่อเราภาวนาไปถึงจุดที่ว่าถ้าไม่รู้ทุกข์ถึงจะเกิดสมุ ท, ทยัยถ้าไม่รู้ทุกข์นะถึงจะเกิดสมุ ท, ทยัยของเราคิดว่าถ้ามีสมุทัยยิงเกิดทุกข์มันตื้นอยู่อีกชั้นหนึ่งงั้นท่านถึงเอาทุกข์ขึ้นก่อนบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละ เมื่อไรรู้ทุกข์นะเมื่อ น, นั้นละสมุทยัยเมื่อไรล่ละสมุทัยมื่ น, นั้นแจ้งนิโรธธรรมะท่านเรียงร้อยได้สวยงามตรงกับการปฏิบัติท่านไม่ได้สอนไว้เพื่อให้คิดแบบนักปรัชญาถ้าสอนอย่างนักปรัชญาเขาจะเริ่มจากสมุทยัยทัานสอนจากการปฏิบัติปฏิบัติให้รู้รูปนามให้รู้ทุกข์นั้นจุดเริ่มต้นคือให้รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ้งเห็นว่าขันนี้ไม่ใช่เราละ คืนขันให้โรคคืนขันให้ธรรมชาติไปตันหาหรือสมุทัยจะดับอัตโนมัติจะไม่เกิดละถ้ายังไม่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยตันหาจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆมีอวิชชาอยู่ตันหายังเกิดอีกจะเกิดเป็นระยะๆไปตันหาคืออะไรพูดง่ายๆเลยตันหาก็คือความอยากจะให้ขันนี้มีความสุขความอยากจะให้ขันนี้พ้นจากทุกข์ ทำไมมีความอยากอันนี้ขึ้นมาก็เพราะมีความสำคัญมั่นหมายว่าขันนียคือเราเราคือขันงนั้นถ้าภาวนาจนเห็นว่าขันไม่ใช่เราหรอกเนี่ยกำลังเหยียบประตูไปสู่นิพพานแล้วได้โสดาบันดูต่อไปจนวางขันได้พอวางขันได้แล้วสมุทัยหายไปเองนะไม่เกิดอีก ว่าขันไม่ใช่เราแล้วจะไปอยากให้มันมีความสุขทําไมจะอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมฉะนั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แกมแจ้งเม น, นั้นจะละสมุทยัยอันทีที่ละสมุทัยนี่จิตจะเข้าถึงธรรมะอีกชนิดหนึ่งคือพลระระวังความยึดถือจิตสลัดจิตคืนเรียกปฏินิสักะสลัดรูปนามคืนคืนเจ้าของเดิมคือคืนโลกไปพอสลัดคืนไปแล้วเนี่ย ภาระที่จะต้องทำงานให้รูปนา ม, มีความสุขพนทุกข์ไม่มีอีกจิตใจเลยเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงสันติสุขสันติสุขนั่นแหล ะ, ะคือนิพพานมันมีใครมาจร ก, กรรมแล้วหนูหนูเข้าไปอยู่ในเครื่องนะว่ามันมันเงียบไปเลย มันหม่ว่ามันใหม่มันขึ้นใหม่ <c oughs> นิพพานมันไม่ได้อยู่ไกลนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเมื่อไรจิตมันสิ้นตัณหาเพราะมันรู้ทุกข์แก่แจ้งคืนกายคืนใจคืนขันให้โลกไปแล้วเนะี่ยเพราะนั้นจะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาไม่ได้ยากอะไรเราไปวาดภาพนิพพานเอาไว้สักไกลเลยคิดว่าต้องภาวนาอีกแสนแสนชาติถึงจะเจอ ถ้าอย่างนั้นอีกแสนชาติยังไม่เจอยังมีความเห็นผิดอยู่นิพพานจริงๆพูดให้ง่ายๆนิพพานจริงๆคือความสิ้นตัณหาหรือวิราคะจิตของเรามีตัณหาย้อมอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิน่นเดี๋ยวอยากได้รถเดี๋ยวอยากได้ผลตัาคะที่ดีเดี๋ยวอยากได้ธรรมารม์ที่เพลิดเพลินพอใจอยากตลอดเวลา ความอยากนั้นหมุนอยู่ในอายตนาทั้งหนึ่ในเวลาเราภาวนานะแต่เดิมเราก็คิดว่าตัณหามีสามตัวกลับมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเมืพอลงมือภาวนาจริงๆเราเห็นตัณหาหตัวเรียกว่ารูปตัณหาความอยากได้รูปชาติตัณหาอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดี อยากได้ธรรมารมณ์ที่ดีอยากได้ธรรมารมณ์ที่ดีเรียกว่าธรรมตันหาชื่อเพราะนะธรรมตันหาอยากเช่นอยากรู้เรื่องก็คิดคิดคิ ด, คดไปเนี่ยมีธรรมตันหาพอจิตมันมีตันหาขึ้นมาในอายตนาหกมันก็เกิดการทํางานขึ้นมาที่จิตจิตจะหมุนจีจีจขึ้นมานะทํางานเป็นทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเราไป ร, รู้คอยดูนะอ วันหนึ่งรับความยึดถือในกายในจิตได้ตัหาจะไม่เกิดอีกตันหาไม่เกิดอีกนะพบก็ไม่เกิดขึ้นการทํางานทางใจไม่มีขึ้นความจะไปหยิบฉวยเอารูปเอานา้ำคือชาติขึ้นมาอีกก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีเพราะไม่มีขันขันเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยเป็นตัวทุกข์ด้วย ความทุกข์ไม่จะตั้งก็ตั้งอยู่ในขันตั้งอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วตัวขันหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองตัวมันก็เป็นตัวทุกข์นั้นธรรมะที่พระเจ้าสอนลึกนะลึกมากแต่ว่ามีสติดูจิตลูกเดียวนั่นแหละจะเข้าใจได้ทั้งหมดหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลไปหาท่าน ครั้งหนึ่งก็อีกสามเดือนไปส่งกันบ้านท่านอธิบายให้ฟังว่าที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถูกหรอกเสร็จแล้วท่านสอนจิตคือพุทธะให้ฟังจิตคือพุทธะเทศเทศอยู่สี่สิบห้านาทีแล้วก็เทศกลับไปกลับมาด้วยรอบหนึ่งสี่สิบห้านาทีเราฟังันเหนื่อยเต็มปานนะถามหลวงปู่ หลวงปู่ที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมมันไม่รู้เรื่องที่เทศมานี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยหลวงปู่ก็เลยบอกว่าธรรมะทั้งหลายนั้นเกิดที่จิตธรรมะแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์นั้เกิดที่จิตถ้ารู้อยู่ที่จิตก็รู้ธรรมะได้ฟังแล้วให้สบายใจนะโอ้ทาไมท่านสอนธรรมะมากมายท่านสอนแห้ไว้ใช้ในอนาคต แต่สอนที่ไรก็สอนอย่างนี้สอนเวียนไปอยู่ในเรื่องของจิตคือพุท ธ, ธะจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านครั้งสุดท้าย36วันก่อนท่านมารณภาพไปหาท่านตั้งแต่ตอนบ่ายๆอยู่กับท่านท่านก็เทศให้ฟังไปเรื่อยๆ เ, นะเป็นทุ่มหนึ่งท่านก็หอบแทกแทกแกเลยไม่ยอมหยุดสอนเราก็สงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแนละ้ว จะกลับเหลอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนพบจิตให้ทําลายจิตพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจริงมีอีกประโยคนึงแต่ไม่เขาอยากเล่าพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสีฟังแล้วมันน่าตกใจพบจิตให้ทําลายจิตพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เข้าใจไหมไม่เข้าใจก็จะจําไว้เออดีจําไว้นะไปไปได้ละไปลาท่านมาลาแล้วหันไปมองหลายรอบนะโอ้รู้สึกอะไรอววรไม่ได้เจออีกแล้วรุ่งเช้าขึ้นรถไฟกลับหลวงพ่อพุทธที่โคราชวัดท่านอยู่ใกล้สถานีรถไฟลงรถไฟแล้วก็เดินไปได้ ท่านเห็นหน้าท่านถามบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลทุกครั้งที่เรียนจะต้องแวะมาหาท่านนะแล้วท่านก็จะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรบ้างหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านไปหาหลวงปู่ดูลมา หลวงปูก็บอกท่านเหมือนกันบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติไม่ยากแต่จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเสร็จแล้วหลวงพ่อพุธก็เลยบอกหลวงพ่อบอักคุณก็อาตมามาทำกติกาตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้บอกกันนะ <c oughs> แล้วทำลายยังไงตอนนั้นปีสองห เสร็จแล้วก็ไปเจอท่านเรื่อยๆนะตอนหลังๆท่านหนีไปจากวัดท่านทนโยมไม่ไหวหลวงพ่อต่เนี้ยังทนไหวนะ <c oughs> นเครือ่องทนไม่ไหวคงหนีเหมือนกันหาตัวท่านไม่เจอเจ อ, เจอเวลาท่านเข้าไปเทศในกรุงเทพบ้างอะไรบางคนเยอะๆคนหลายร้อยคนเป็นพันเข้าไม่ถึงไม่เจอท่านนานหลายปีไม่เจอจนมวาปลายปี สี่สามนนี้ท่านท่านเปรเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อยังทํางานอยู่องค์การโทรศัพท์เป็นนั่งฟังเทศคนก็เต็มห้องนะร้อยคนได้ค่อยน้อยหน่อยท่านเทศจบอกลานเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วบอกท่านจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกบอกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยโอคราวนี้นะ ธรรมะท่านเปลี่ยนฉับพลันเลยที่เทศเท ศ, เทศธรรมดาอันนั้นเทศเสร็จแล้วบผมทํำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านท้าหารไหมพูดเึ้นมาจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นะนะั่ะเติบโตเต็มที่แล้วนะมันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองผมฟังท่านแนละ้วโอ้สะใจรู้เลยธรรมะของท่านระดับไหนเสร็จแล้วก็ลงมากราบท่านแล้วลงมา ตอนท่านมาขึ้นรถกลับนะยืนอยู่ข้างถนนลงว่ว้ท่านนะแล้วไข่กะจบออกมานันเห็นกันครั้งสุดท้ายไม่ <c oughs> น, นานก็มรณภาพฟังแล้วมันสำนวนครูบาจารย์เนี่ยนะท่านไม่ได้เรียนปริยัติมากนะักท่านก็พูดตามสำนวนที่ท่านพบท่านเห็นนะมันมีการทำลายจิตผู้รู้ ระหว่างทางปฏิบัติแนละ้วเราไปสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมีคนหนึ่งเป็นคนรู้เห็นรูปนามกายใจเคลื่อนไหวทำงานไปแท้จริงก็คือความรู้แจ้งในอริยสัจนั่นเองสำนวนท่านบอกว่าทำลายผู้รู้ที่จริงก็คือไม่ยึดถือจิตนั่นแหละเมื่อไรรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่จิตจนแจ่มแจ้งไม่ยึดถือจิต ตรงนั้นแหละที่เรียกว่าทำลายผู้รู้จิต ท, ที่เหลือมันจะเป็นกิริยามันไม่ให้เป็นตัวผู้รู้อีกและสามเดือนก่อนผู้เจ้านิพพานไม่ได้เทศเรื่องอื่นเท่าไหร่หรอกนะในพระไตรปิฎกบอกสเดือนการปรินิพพานเนี่ยเทศอริยสัจเป็นส่วนมากเทศแต่อริยสัจอริยสัจนี่สําคัญระดับใดที่อริยสัจยังอยู่าศาสนาพุทธก็ยังอยู่ ถ้าอริยศัสตร์หายไปก็คือศาสนาพูดหายไปลวเะฉน้นพวกเรามีหน้าที่เรียนอริยสัสตร์เรียนเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองด้วยเรียนเพื่อจะสืบทอดศาสนาไว้ด้วยไม่มีที่ใดจะรักษาศาสนาได้ดีเท่าที่ใจของเรานะถ้าธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราแล้วเนี่ยใจของเรานี่แหละเป็นที่รักษาธรรมะเอาไว้ทรงธรรมเอาไว้จิตนี่แหละที่ทรงธรรมเอาไว้ ธรรมะไปใส่ตู้ไวห้หายนะวันหนึ่งก็หมดเอาธรรมะไปฝากไว้กับพระวันหนึ่งก็หมดนะวันหนึ่งพระก็ต้องหมดไปแร้วพุทธเจ้าเลยไม่ได้ฝากธรรมะฝากศาสนาไว้กับพระนะฝากไว้กับบริษัทสื่อถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะทุกคนมีหน้าที่ครัพุทธมีหน้าที่สองอัน หนึ่งเรียนธรรมะให้รู้เรื่องให้เข้าใจให้ธรรมะมาสู่ใจของเราให้ได้ที่สองทรงไว้ซึ่งธรรมะเจอคนที่ควรบอกก็บอกไม่เจอคนที่ควรบอกก็ไม่บอกอันนี้เป็นหลักที่ผู้รู้ทั้งหลายก็ใช้กันอย่างพระปัจเจกกับพูะเุทธเจ้าทั้งหลายถัตรัสรู้แล้วไม่มีคนสมควรบอกท่านก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ใช่ท่านสอนไม่ได้นะ เรามาก่กคิดว่าพระปเจกเสอนไม่เป็นมันไม่มีคนที่ควรจะเรียนครับภูมิความรู้ของท่านมากกว่าพระสารีบุตรอีกอย่างน้อยท่านก็บอกได้ว่าที่ท่านทำมาเนี่ยท่านเดินมาได้ยังไงท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางเดินของท่านท่านเดินมาได้ยังไงอย่าย่าแต่พระประเจกเลยสาวกทั่วๆไปนี้เลยพอเดินไปได้แล้วก็ย่อมจะรู้ว่าเดินมาได้ยังไงเป็นเรื่องธรรมดา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 ถ้าใจของเราปิดสัอย่างเดียวนะรับไม่ได้พวกเด็กๆบางทีเรียนธรรมะได้ง่ายนะใจมันเปิดแต่ผู้ใหญ่ยิ่งโตนะใจยิ่งปิดนะใจยิ่งปิดคับแคบก็มีของที่เคยเชื่อถือเอาไว้เยอะและ้วใจปิดฟังสิ่งใหม่ๆฟังยากพฟังสิ่งใหม่ๆนะจะเอาไปเทียบกับของเก่าตลอดเวลา นึกว่าของเก่าดีวิเศษถ้าดีวิเศษจริงแนละ้วมันหลุดพ้นไปแล้วละ่ะมันไม่ยังทุกข์อยู่จนวันนี้ดอกงั้นถ้าใจของเราเปิดนะเปิดรับธรรมะก็รับง่ายใสยๆซื่อๆนะคอยเรียนรู้ไปสังเกตอย่างหนึ่งไนหะตัําในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าให้นั่งยังไงให้เดินยังไงให้หายใจยังไงไม่มีสอนแต่เนื้อของธรรมะ ถ้าหากว่านั่งอย่างนั้นดีเดินอย่างนี้ดีนะพระพุทธเจ้าคงสอนไว้แล้วลนะ่ะไม่ต้องรอให้อาจารย์ชั้นหลังมาสอนหรอกทําไมไม่สอนเพราะไม่จําเป็นต่อความพ้นทุกข์พวกเรารุ่นหลังนะเรียนธรรมะมากๆเราไปติดอยู่ที่รูปแบบสํานักนี้ต้องนั่งอย่างนี้สํานักนี้ขยับอย่างนี้สํานักนี้เดินอย่างนี้แล้วก็เริ่มเถียงกันนะอันไหนดีกว่าอันไหน ลืมมริยาศย์ลืมธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอาศัยศรัทธาเชื่ออาจารย์มั่งเชื่อเพื่อนมั่งนะลากลากกันไปแล้วถ้าเดินท่านี้นั่งท่านี้หายใจท่านนี้วันหนึ่งมันจะรู้แจ้งเริ่มเก่งกว่าพระพุทธเจ้าละวนะงั้นเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรียนไหมฟังฟังแล้วเอามาดู อริยศาสตร์สำคัญมากนะให้รู้ลงที่กายให้รู้ลงที่ใจรู้ตามความเป็นจริงรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเห็นความเป็นจริงของตายของใจรู้เพื่อเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราหรอกนป่นหน้าที่เรียนรู้กายเรียนรู้ใจรู้ลงไปตรงๆรงรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้บ่อยๆรู้จนเห็นความจริงอย่าไปคิดเอาเอง อย่าไปคิดเอาเองว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่คิดเอาเองไดนะ้นักคิดทั้งหลายบรรลุไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าถึงบอกไม่เชื่อปรัชญาไม่เชื่อตรรกะนะเชื่อการใช้เหตุผลการคิดเอาให้รู้เอารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้เนื่องเนื่องรู้ตามที่เป็นด้วยถ้าเมื่อไรเราใจลอยไปเราเผลอไปเราก็ลืมกายลืมใจศัตรูเบอร์หนึ่งเลย ใจลอยไปเผลอไปคิดไปใครเคยเรียนอภิธรรมจะทราบาจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอจิตไปรู้อารมณ์ปัญญัจิคือเรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้อารมณ์ปรมาติคือรู้กายรู้ใจไม่ได้เพะนั้นการที่จิตเราหลงไปคิดนี่แหละคือศัตรูอันดับหนึ่งหลงกคิดเพลินเพลินไปไนด้คิดดีๆคิดอะไรก็ใจสงบได้สมถะเหมือนกัน ถามทำไมล่ะทำไมช่างถามธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการถามหรอกอย่าฟังอย่าฟังแล้วถามเลยฟังแล้วสงสัยให้รู้ว่าสงสยัยรู้ลงไปที่ความรู้สึกสงสัยนี้ดูซิความรู้สึกสงสัยนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงใจจะสงสยัยบังคับไม่ได้ดูออกไหม เป็นบัญญัติสิอาศัยการฟังธรรมะแท้ๆเนี่ยนะเพื่อจะมารู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจงั้นฟังธรรมะแล้วก็มาคอยรู้ที่กายคอยรู้ที่ใจเรื่อยๆรูจักของจริงธรรมะมากับใครคนเนี้ยกับต้อมอะเหรอเก็บความสงสัยไว้ก่อนจะบอกให้ มานั่งถามหลวงพ่อนะถามไปถึงพรุ่งนี้ก็ไม่เข้าใจหรอกคุณสังเกตไหมพอคุณถามพอหลวงพ่อตอบคุณฟังแล้วคุณก็คิดคุณฟังแล้วคุณคิดคุณดูออกไหมฟังไปคิดไปตอนที่คุณฟังน่ะคุณยังไม่เข้าใจคุณนึกออกไหมต้องไปคิดก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้าใจขึ้นมาตอนที่เสียงกระทบหูเนี่ยยังไม่เข้าใจพอฟังเราก็ต้องคิดสลับไปเรื่อยๆดูออกบ้างไหม เพราะฉะนั้นตรงที่เราบอกว่าเราฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยความจริงไม่ได้เข้าใจด้วยการฟังแต่เข้าใจด้วยการคิดเอาเองการคิดเอาเองของเราเนี่ยคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้งั้นธรรมะที่ฟังฟังเอานะยังใช้ไม่ได้ฟังเอาพอเป็นแนวเพื่อจะมารู้กายรู้ใจศัตรูของการรู้กายรู้ใจนะเบอร์หนึ่งเลยคือการที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดลืมกายลืมใจที่เป็นปัจจุบัน คุณรู้สึกไหมขณะที่เราคิดไปเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็ลืมไปใจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็ไม่รู้ออกไหมเนี่ยอยขณะเนี้ยลืมกายลืมใจแล้วเหกนไหมตรงที่ไหลแวบไปเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังคิดไม่เลิกเนะี่ยคุณไม่ได้ทํำมิปัสสนาแน่นอนเพราะมันเป็นศัตรูด้วยหลวงพ่อเลยไม่ส่งเสริมให้มานั่งคิดนั่งถามนะที่สงสัยได้เพราะคิดมาก คิดมากก็สงสัยมากสงสัยแล้วอยากถามถามไปแล้วก็จํำมาไว้หรือเอาไปคิดต่อมันจะเวียนไปอย่างนี้ได้ไดมีปรั ส, สนาจริงๆไม่ใช่การคิดมีปรัชนาจริงๆนะในพิธามสอนนะมันเริ่มจากตัวอุทยพยายาญอุทยพยายาญเนี่ยมันเห็นความเกิดดับโหรูปนามแล้วระบุไว้ด้วยว่าต้องพ้นจากความคิดด้วยถ้ายังเห็น ไตรลักษ์ด้วยการคิดเอาเช่นคิดเอาว่าจิตตกี้กับจิตเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเป็นไตรลักษ์อันนี้ได้แค่สัมมาสนญาอ ย, ยังไม่ขึ้นวิปัสสนางั้นยังตราบใดที่ยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุธเคยสอนนะบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด ความคิดนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งมันทําให้เราลืมกายลืมใจตัวเองส่วนศัตรูเบอร์สองคือการที่บังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายบังคับใจเพ่งเอาเพ่งเอาเนี่ยกหนดเอากำหนดเอ า, ก, เอากายก็ทื่อๆใจก็ทื่อๆ ถ, ถ, ถ้าเราบังคับกายบังคับใ จ, จมันทื่อๆไปแล้วไตรลักษณ์มันจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่แสดงตัวขึ้นมา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 อันนี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญเรียกว่ากุศลาพิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นกุศลเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานุโยกการบังคับตัวเองนี่นสองทางนี้แหละเป็นทางสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามชาติเรายัางไปทําส่วนใหญ่จะทําอย่างนั้นองคือไปเพ่งเอากําหนดเอานะัะใจแข็งทื่อจ้องเอาไว้จ้องเอาไว้ นั่นไม่ใช่การเจริญสติเรียนอะไรมาบ้างละ่ะศึกษาธรรมะอะไรมาบ้างหลมงพ่อก็ว่างนั่นเลยไปเรียนมาจากไหน อ, อหลวงพ่อทำอนาปนาสติเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดขวบ ธาารรนาปาสติยี่สิบสองปีทําอยู่ไม่กี่วันก็เล่นนะโน้นเล่นนี่นี่ได้นะทําอยู่ยี่สิบสองปีปัญญาไม่เกิดจึงรู้เลยว่าเรื่องของสมถะแล้วมันอันหนึ่งนะเรื่องของวิปัสนานหนึ่งไม่ใช่ทําสมถะไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดวิปัสนาไม่เกิดหรอกคนละเรื่องนะเลยเพียงแต่สมถะเป็นเครื่องอาศัยถ้าเราทําเป็นได้พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ มีกําลังแล้วก็ออกมารู้กายรู้ใจเอางานหลักของเราคืองานรู้กายรู้ใจตัวนี้แหละที่เราได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงสมถะเหมือนได้พักผ่อนเคยมีคนคิดนะว่าถ้าทําสมถะมากๆจะเกิดปัญญาไหมมันก็เหมือนถามว่านอนมากๆจะรวยไหมฮะเป็น <c oughs> คำถามที่ไม่ฉลาดเนะไม่ฉลาดเลยนอนเยอะๆจะรวยไหม นี่ก็ต้องรู้จักวิธีเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งอ่านนั่งคิดนะนั่นแหละศัตรูของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยในขั้นของวิปัสสนานี่ททำได้อย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอกกายนามะทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองก็คือการมีสติรู้กายมีสติรู้ใจ น, ะนั่นเองที่เรียกว่าสติปัฏฐานันถึงสอนว่าสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียว ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้การมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเพราะนั้นเราต้องเรียนเรื่องสติปัฏฐานนสติปัฏฐานไม่มีเรื่องการคิดมีแต่เรื่องการรู้นั่งอยู่ก็รู้ชัดยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดรู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัดรู้ชัดเนี่ยคนไทยมาแปลเอาเองคาว่ารู้ชัดนี่คือรู้ตรงตามความเป็นจริง ว่าตัวที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วจิตใจที่ไปรู้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกอาีนี้เรียกว่ารู้ชัดรู้ตรงความจรงิงธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดนะเรียนไม่ได้ด้วยการถามแต่เรียนได้วิธีเดียวดูลงมาในกายดูลงมาในใจอย่าเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิด ตราบใดที่เรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเราจะห่างจากมรรคผลนิพพานอ่ะเดี๋ยวเราหยุดพักแค่นี้ก่อนเชิญโยมไปทานข้าวนะไม่มีเวลาให้พรแล้ว